ด้วยความมีสติและรู้สึกตัวพร้อมๆกันคะ่ะกรากรากราชมรมธรรมปรีดาของนิมนต์พระอาจารย์ได้กรุณาบรรยายธรรมะแก่ผู้ที่สนใจด้วยคะ่ะ เราังไม่ยังไม่รู้ดีกว่าเนาะ ม, มีเรื่องอะไรในพุทธศาสนาที่เรายังไม่รู้บันงมีแย่อะไรเหรออ๋อมีแต่เรื่องที่ไม่รู้เล่นรู้ไม่ค่ยมีเอ่อเคยรู้เรื่องสตานังไนะ เคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคำนี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวีไหว้าตายเกิดถูกต้องหรือถูกต้องไหมไม่ถูกต้องล่ะแล้วอะไรเวียนว่ายตายเกิดก อ, อน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้ว การเวียนไไ่าวตายเกิดมีไหมไมีครับแล้วใครเป็นคนเวียนไาวไตายเกิดสัตตานันใช่ <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้จะให้ทราบนิดหนึ่งนะซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยน ะ, นะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบเลยพิสูจน์ชื่อสาติเนี่ยพูดว่าวิญญาณเรียนว่าต่ปเกิดวิญญาณจะเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตําหนิว่าเป็นโมคบุลนะแล้วก็ตําหนิพิสูจน์ติว่าเธอชื่อว่า ย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาปิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เก้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอหดนหนักเลยเห็นะหแต่พวกเราฟนะังวิญ ญ, ญาณเรียนไวตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยเชื่อไหมเห็นนะทีนี้ โอสถิตถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกไล่ออกจากพิสูจนด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเรา น, นะยัเป็นอุบาสก อ, อุบาสิกาได้ไ้มเนี่ย <c oughs> ใช่อืมมีวงพ่อตําตหนิขนาดนี้ก็ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวไปเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณ ก็มีคําตอบเหมือนกันพระคถาคตตรัดกับภิกษุนทั้งหลายบอกเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ที่นปในอากาศบางคราวก็เอาโคลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวปลายลงล่างบอกพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้ ส, ideology, สูสส <quin Burn> ่โลกอื Param ่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตย์ทั้งสี่นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูด <c> ว <oughs> ่า <jakieś> ว <Mexican> <pen> ิญญาณเรียนไหวตายเกิดนะพระองค์พูดว่าสัตว์เปลียนไหวตายเกิดสัตว์นะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏบางคราวเขาแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นนะม บาลีใช้คําว่าสัตตานังสัตตาสัตตาหรือสัตตานันดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตสัตสัตของพระเจาเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซิงแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะอลายว่าเราทุกคนเป็นสัตตานังนพรหมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นาลบ เดลชาญทุกคนกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยน ะ, ะวันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นนี้งทีนี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไะ ความหมายของคำว่าสัตว์สองพสูตรไม่ไม่พอมีพสูตรที่สามอีกราธะเขาเลยถามผู้เจ้าว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าข้าระตถาคตจึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหนาอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะ การติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถึงเรียกว่าสัตว์เห็นนะพระศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์นะเห็นนะอ่าชัดเจนนะดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดคำห้า <c oughs> นะท่า น, นี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอะ ให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ขนันธ์ห้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขนาดที่มันมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขนันธ์ห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะดังนั้นคำว่าสัตว์หรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขนันธะ่ห้าะแต่เมื่อมันได้สดับในธรรม พุปฏิบัติตามอริมักมีองศาจนกระทั่งวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติยณาณทัศนะและวิมุตติยานทัศนะนี้พระต ถ, ถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุตติพระงบอกว่าวิมุตติยาณทัศนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยแมอะไรเล่า ตั้งอาศัยในวิมุตต์นะดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่สอ ง, สองระบบคือสมมุติกับวิมุตต์สมมุติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิมุตตินะหรือส่วนนิพพานนะวิมุตติยานทัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตต์อ่าเป็นอย่างนี้มี่สองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะ และคุณสมบัติของสองระบบใหญ่นี้จะตรงกันข้ามกันเลยนะฟังสมมตินี้มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาไวะอย่างหนึ่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆเหมือนก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึง่งปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้ เกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติสองเสื่อมปรากฏคือปโยวะโยคือเสื่อมปัญญายติสเสื่อมเรื่อยๆทิฏฐะสารญยญัาตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะยังอื่นปรากฏส่วนในฝังหนึ่งตรงข้ามกันเลยพระเจ้าบอกว่าณคนะือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ นวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัตถิตาอัญญตัปตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีเภาะอย่างอื่นปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งเสนอทไม่มีการมากาันไปนี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกันดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูด คุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อนิจังทุกขังอนัตตานะหรือนิจังทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหม่นะอ่าจะพูดว่าอุปาโทกันนะอุปาโทนะดังนั้นนี่คือความจำเป็นว่าทำไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้นะบัญญัติมาปุ๊บผิด นั่นเฉยเลยสัตตานังหรอจําเป็นต้องมีอะไรรูปประกันนะสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตนังมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่ง ดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุต tn ั่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตไม่ได้ก็มันมีอวิชชาจึงถือเรียกว่าสัตานันแต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกหม่ว่าวิมุติอันรสนะนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะนี้กําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมัน มนเลยท่องเที่ยวไปกับขันนาภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันก็ได้ไปยึดกับมันไม่เกี่ยวกับรูปประคันเลยมันเข้ามายึดรูปประคันบางสภาวะของภายใต้การมีอวิชชาของสัตตานั้เช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นพรหมที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานันจัยยตนาขึ้นไป ก็จะไม่มีรูปประคันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสมมุติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบส ม, มุตดละน่ะอ่าใ น, นี้แต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอดนะดังนั้นเหตุที่พระเจ้าตําหนิมากว่าพูดว่าวิญ ญ, ญาณเป็นว่ายตายเกิด มันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็ น, นิดจจ์อยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปนี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแท้สิใช่มแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตว์ตานางเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมันเนี่ยต่อกระจายไปนี่ทำให้การการใช้บทปัญชนะผิดจากพระศาสดาเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยนะ ในธรรมะชั <muitas S 2> ้น <sketches> ลึก no ปั๊บจะเข้าใจผิดผู้หญิงจึงต้องตำหนิเอาไว้นะอ่าประเด็นนี้มีใครสงสัยไหมเขาไม่ค่อยรู้จักกันนะไม่ค่อรู้จักคำว่าสัตว พระสูตรนี้พระก็งงกันหมดหนะพระก็งงกันว้ยทำไมพระพุทธเจ้าตำหนิสาติน้อคิดกันไม่ออกนะอ่านั้นถ้าขุดอีกสองพระสูตรไม่เจอนะไม่มีทางไม่มีทางตอบหาคำตอบตรงนี้ได้นะอ่า ตอนที่หลวงปู่ม่านท่านบนรรลุครับอฮ uh huh. แล้วในหนังสือเขียนไว้ว่า uh huh. พระสมานุทธาพระปริยะดลมาครับแล้วก็ออื uh huh. พระอาหารหันตสาวกได้มา uh huh. มามันมาวอวยพรนะครับไม่ทราบว่าอย่างีเป็นสมมุติในวีมุติบีมุดในสมมุติหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรครับพระเจ้าเคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยเทวดาและมุมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นพระองค์อีกเลย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นตถาคตเลยเมื่อตถาคตปรินิาพานแล้วแต่พระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา การเห็นพระองค์จริงๆก็คือการเห็นสภาวะธรรมนั่นแหละสภาวะธรรมคือสภาวะวิมุตติที่พระหันทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเสมอกันที่นั่ น, นอยู่ในสภาวะเดียวกั น, นคือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับดังนั้นสภาวะของพูะุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่รูปร่างมนุษย์พระพุทธเจ้าตัดว่า <c oughs> บอกว่คาริวค า, าลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเ น, าน่านีนะนั้นกกยพระเจ้าเนี่ยก็มองไกเนา่านะแล้วก็บอกว่าผู้ใดเห็นตามผู้นั้นเห็นเรานะแม้แต่แม้เธอจะจับชายสังกติเราเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังนะแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีการมลาคากล้ามีจิตปัจะบาดมีความดำหรี่แห่งใจเป็นไปในทางประสล้ายมีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะแคว่งไปแควงมาเนี่ยนี่ชื่อว่าอยู่ไกลจากเหลามาพระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะท่านพูดสิ่งสิ่งหนึ่งแหละนะซึ่งบุคคลเนี่ยควรเข้าไปรู้แจ้ง มันเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มันมีทางปฏิบัติเข้าไปถึงได้โดยรอบในสิ่งนี้ไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามถ้าไปเห็นพูะเจ้าจะไม่สามารถเห็นมิติไม่สามารถบอกมิติได้ไม่สามารถบอกความกว้างยาวไม่สามารถบอกความงามหรือไม่งามได้นะไม่สามารถอธิบายสิ่งสิ่งนั้นได้ เพราะการที่เราจะอธิบายสิ่งสิ่งใดจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาโยมจะเรียกหนังสืออธิบายหนังสือต้องมีหนังสือมาให้เห็นจะอธิบายอะไรก็ตามต้องมีสิ่งนั้นปรากฏคือเกิดปรากฏอุปปาโทปัญญาจตนะิแต่ถ้าสิ่งสิ่งหนึ่งมันไม่มีการเกิดปรากฏโยมจะเรียกมันว่าอะไรนะตัวมันไม่พอเป็นตัวให้เรียกสักอันหนึ่ง จะเรียกฝุ่นก็ต้องมีฝุ่นนิดหนึ่งเลขอะตอมมีเลขตอนก็ต้องมีนิดหนึ่งแต่นี่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยดังนั้นที่พระเจ้าบอกนิพพานอธิบายไม่ได้เนี่ยท่านจัดถูกแล้วพูดถูกเป๊ะเลยเพรเกิดไม่ปรากฏเนี่ยยัไม่รู้จะอธิบายมันยังไงมันอธิบายไม่ได้ดังนั้นวิธีอธิบายนิพพานเนี่ยนะวิธีอธิบายนิพพานของพระเจ้าจริงอธิบายภายใต้สมมุติบัญญัติ สิ่งที่มนุษย์รู้จักนะดินน้ำไฟลมเรารู้จักพระพุทธเจ้าบอกไม่มีในนั้นนะความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่เนะี่ยพวกเรารู้จักกว้างเันยังไงสูงเันยังไงไม่มีในนั้นนะ่นะความงามไม่งามเรารู้จักบอกไม่มีในนั้นแล้วจะมีก็สูตร ท, ที่บอกว่าอากาสาานาจาจัตนะตั้งแต่ปฐมฌานไล่ไปจนถึงอรุปรสัญญาสมาบัติไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะ่นะ หรือสีโยคียรู้จักแต่บอกสิ่งห์พูดไม่ใช่หมดเลยนี่คือวิธีอธิบายนิพพานที่ถูกต้องไม่มีรูร่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดเป๊ะถูกเป๊นะนแต่ตัวนิพพานเองอธิบายไม่ได้นะ มีเรื่องอะไรที่เราควรทราบอีกเรื่องของกรรมดีไหมเรื่องของกรรมเนมเรื่องของกรรมที่เราเข้าใจผิดกันอีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะซึ่งมันเป็นเครื่องวัดอริบุคลด้วยอริบุคลขั้นต้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยจะต้องแก้มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมสีอยา่างหนึ่งหนึ่งกรรมหรือสุขทุก์เกิดจากผู้อื่นบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกเกิดจากตนเองบันดาลอย่างที่สามกรรมหรือสุขทุกเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นส กรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นมาเองลอยลอยโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยโสดาบันต้องละได้เห็นไนหะแต่นี้มาไล่ดูทีละอันก็นได้นะอันแรกกรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลเราก็คิดว่าเทวดาบันดาลอะไรให้เรานะผีบันดาลไง อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาล น, นีเข้าขายหมดเลยนะเข้าขายหมดเลยมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บันดาลมีอะไรมาแกล้งเราให้เราเกิดอุบัติเหตุให้เราเกิดโน่นเจ็บป่วยให้เราเป็นอย่างนั้นทป็นนี้นี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบ ท, ที่หนึ่งทั้งสิ้นเลย <c oughs> ดังนั้นเมื่อคนหลงเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบ ท, ท, ที่หนึ่งการบนบาลสารกล่าวจึงมี เนนะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะมิจฉาทิฏฐิแบบ ท, ท, ที่หนึ่งอืโอโไม่ง่ายนะเนี่ยนะแก้ยากเหมือนกันนะและเมื่อสิ่งความเห็นผิดแบบนี้มีนะก็เลยมีการอ่ามีการสร้างอะไรศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เพื่อให้คนยึดถือยึดมั่นว่าอะสิ่งนี้พึ่งสิ่งนี้แหละ นะแล้วทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมดังนั้นบุคคลจะหลีกออกจากการแก้กรรมที่ถูกต้องคือวิธีใดคือการมาฝึกกายวาจาจิตของตนเองตามหนทางอาริยมรรคเมลงแปดทันทีเลยโดยไปหวังพึ่งสิ่งนั้นหวังพึ่งสิ่งนี้นะ หีกออกจากการกระทําทางกายวาจาจิตของตนเองซึ่งเป็นวิธีเดียวในการแก้กรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าอาริยะอัดถังกิกรรมนี้นั่นเองคือกรร ม, มะนิโรธาคามินีปฏิปทากรร ม, มะกรรมนิโรธานิโรธคือดับปฏิปทาคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลแหงกรรมตรงๆเลยนะอริยะคือประเสริฐอริยะอัดถังคือแปด ที่กรรมะก็คือขนทางขนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาขาไม่มีปฏิปทาไม่มีวิธีอื่นไม่ได้บอกว่าดวงดาวแก้ได้สิ่งนี้แก้ได้นะการบูชาไฟแก้ได้เทพองค์นี้แก้ได้ไปบนบานพระพรหมแก้ได้พรหมก็ตายเหมือนกันเทวดาวก็ตายตายหมดทั่วโลกธาตุเลยทํำยังไงดี พึ่งตนพึ่งธรรมผู้ชอบตัดไว้นะบอกอานอน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปงเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่นะพึ่งตนและพึ่งธรรมแก้ปัญหาได้ <c oughs> พึ่งอย่างอื่นไม่ได้ น, น, นี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งแต่นี่มิจฉาทิฏฐิแบบที่สอเช่นะเอ้าเช่เจ้ากรรมนายเวรมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีเชันนมันก็หลงผิดกันนะมันอยู่ในระบบของความหลงอวิชชาใช่ไหมเพราะเราก็ไม่มีไง เนี่ยมันกําลังเข้าไปสู่ความเห็นแบบที่สองคือกรรมและสุดทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบรรดาห์ใช่ไหมอ่าท่านี้อยา่าผู้อื่นไม่ได้บรรดาห์แล้วนะมันก็จะย้อนกลับมาอังนั้นตัวเราบรรดาห์นะสิอ่าท่นี้พอตัวเราบรรดาห์ุ๊บเริ่มยากขึ้นอีกนิดห น, น, นึ่งเอ๊ไม่ใช่ตัวเราปฏิบัติมรรคแปดแล้วใครมันจะไปปฏิบัติเนี่ยนะ <laughs> เราไปดูปฏิษฐจัสมุบา มีคนถามพระตถาคตว่า <c oughs> ผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใครตัณหาเป็นของใครอุปท า, านเป็นของใครสลายานะเป็นของใครผิดหมดเลยคุเจ้าบอกนี่ถามผิดผิดมาตั้งแต่คําถามมันไม่มีลูกตาเป็นของใครไม่ใช่ของใครคุเจ้าบอกตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหู จมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอปฏิเสธหมดเลยเห็นนะมนี่เริ่มลึกขึ้นมานะดังนั้นเรายังไม่มีเลยเห็นไหมอะไรเป็นเราบ้างนะใจลราเป็นเราหัวใจกับใจไม่ใช่ของเธอเห็นนะมโอ้ปฏิเสธหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่สัตวตานังท์ <c oughs> นะเหลือแต่สิ่งสิ่งหนึ่งนี่เอากจะังแก้ความหลงตรงนี้แนละ้วนะืม ดังนั้นผู้เดินมักคแปดคือสัตวานังนี่แหละนะสัตวานังอาศัยมรรคขันห้ามาเดินมรรคมีองแปดไปเรื่อยเื่อนะอ่านะกิเลสล้านกิเลสกิเลสชำระกิเลส ด, ด้วยกันเองเอาขันห้าดูขันห้านี่แหละนะเอาวิญญาณดูวิญญาณวิญญาณดูรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เห็นเกิดดับไปดับมาเรื่อยเืยก็ถอนอุปทานมาเรื่อยเรื่อยเรืยว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษของขันห้า นะโทษของมันคืออะไรก็คือการดับไปได้ความเสื่อมความดับความเป็นอนัตตานี่คือโทษของมันรูปเสื่อมได้ตายได้เวทนาเสื่อมได้ดับได้สัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับหมดนี่คือโทษของมันนะเห็นโทษขันธ์ห้าให้มากปล่อยวางนะหลุดพ้นจากขันธ์ห้าหลุดพ้นจากความยึดมั่นขันธ์ห้ายังอยู่เหมือนเดิม แต่ความเข้าไปยึดในขันหน้าหมดไปก็กลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือวิมุติยันทัศนะนั่นเองนะดังนั้นการเกิดจากตนเองบรนดาลจึงไม่มีนะดังนั้นพวกเจ้ากรรมในเวรมียเนี่ยมันมีภายใต้อวิชชาถ้ามีเราก็มีเขาจึงต้องถอนความเป็นเราออกให้หมดเขาก็เลยไม่มีเราก็ไม่มี อันนี้หลุดพ้นได้ถ้ามีเราก็มีเขามีเขาก็มีเรานะมันก็ผูกกันอยู่เรื่อยๆผูกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ากงไม่ยากเกินไปไหเจ๋ <Glo> แต่ถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ได้โยมจะเข้าใจบทปัญชนาพระาศาสตาทั้งหมดเนี่ยถ้าโยมเข้าใจเรื่องปฏิจจานะโยมจะอ่านคําพระเจ้าเข้าใจมแต่ตอนนี้อ่า น, นยังง ง, งๆนะอย่างนี้อะไรแบบ น, นี้นะต้องตีตรงนี้ให้แตกเช่นนีค้ค่ะคืออยากจะสอบถามว่าอย่างเวลาตัววิญญาณเนี่ยค่ะคืออย่างเราดูดูของตัวเองนะคะว่า คือเริ่มแรกเรารู้จากตัวสมมุติปัญญาต์ก่อนเสร็จแล้วเรามาพัฒนาในส่วนของการรู้รูปนามที้ว่าคือถ้าเราดูรูปงานอย่างนี้นไปเรื่อยๆตะกี้ที่พี่อาจารย์บอกว่าก็คือมันจะไปสู่สภาวะที่วิมุตต์ตรงนั้นคืออยากจะทราบ ว, ว่าในส่วนของอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันคือมันจะมีสามารถเข้าไปรู้ในส่วนตัววิมุตต์ตรงนั้นได้ชั่วขณะไหมคะหรือว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเห็นตัววิมุตต์ตรงนี้นค่ะ เพราะพระลาหันเท่านั้นมีเพื่อสุดต้องตอบโดยคําสัตย์สดาพระุทธเจ้าอธิบายไปเลยว่าโซดาปันเนี่ยเห็นรอยเท้าช้างเหมือนบุรุษต้องการเห็นช้างใหญ <c oughs> <c oughs> ่ก็เลยเดินเข้าไปในป่า <c oughs> เขาบอกว่ามีช้างมหาหน้าตัวใหญ่มากขณะที่เดินเข้าไปในป่า <c oughs> เห็นรอยเท้าช้างบุเลยโอ้โหมันต้องมีช้างตัวใหญ่จริงแน่เลย ผู้จ้าบอกนี่โศดาบันแต่เห็นตัวช้างยังยังไม่เห็นเดินลึกเข้าไปอีกเห็นรอยช้างเอาตัวสีข้างต้นไม้โอ้ต้นไม้ถูกทากไว้่ะสูงลิฟต์เลยสงสัยช้างใหญ่มันต้องมีมั่นใจขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนี่สกาทาคาร์มีผู้จ้าบอกเดินเข้าไปอีกน่ะเห็นรอยช้างเอางวงหักกิ่งข้างบนโอ้สูงลิฟเลย ตัวไม่ใช่เล่นหน้านี่อนาคามีเดินลึกเข้าไปอีกเห็นตัวช้างทั้งตัวนี่พร ะ, ละหลานดังนั้นพระหลานต่านั้นที่เห็นสภาวะนี้สมบูรณ์นะดังนั้นคุณธรรมพระโสดาบันบุคคลรวมไว้ให้ห้าสิบสี่พระสูตรห้าสิบสี่นัยะที่ผู้ชอบตัดไม่เคยตัดบอกว่าเห็นนิพพานไม่มี นะสินห้าบริบูรณ์มั่นคงในพระรัตนตรยัยโสดาบันหรือเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงโสดาปฏิมัสเรียกสัตยานุสาลีหรือธรรมานุสาวรีแก้ไม่ชาติที่สีเล่นกรรมสี่อย่างได้น่ ะ, นะหรือว่ามองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลมองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขานี่โสดาบัน วางปุกปันตาโนทิปปียกปันตาโนทิปปีความเห็นปลาร์ลันแขเบื้องต้นกับเบื้องปลายอยากไปรู้อดีตอนาคตโซดาบันไม่สนใจแล้วนะดังนั้นโสดาบันเลิกดูหมอแล้วน ะ, ะไม่เห็นสาระนะและเข้าใจแล้วว่าขันทั้งห้าเป็นปัจจุบันก็กําลังถ่ายถอนความคิดมัน่นจะสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและขันห้าที่ยังมาไม่ถึง ก็ต้องปล่อยวางอยู่ดีไม่รู้จะไปสนใจทำไมนี่คือความเห็นโสดาบัน น, นะไม่ได้พูดเรื่องการเห็นนินพพานเลยนะอสอดรับกันเร <c oughs> ื่องแก้กรรมก็จะทำไม่ให้ในเล่ม น, นี้นะ จะรวมพระคาพระตถ า, าคตที่ตัดเกี่ยวกับเรื่องกรรมไว้ให้การแก้วิชาที่ถีเกิดเรื่องกรรมสี่อย่างการละปุกปันตานุทิเตียปลันตานุทิเตียอะไรมีในนี้หมดกรรมหกอย่างที่บุคคลปนท้าต้องรู้ว่าอะไรคือกรรมครูเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรร ม, มเหตุเกิดของกรรมมาจากไหน เหตุเกิดของกรรมมาจากผัสสะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นแดนเกิดของกรรมนิทานะสัมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมมีเพราะผัสสะและความดับของกรรมก็ดับที่ผัสสะเหมือนกันผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิด ดังนั้นตั้งแต่เช้าเราตื่นมาจนถึงเย็นเนี่ยกรรมเกิดกี่ลังนะใครนับได้ <c oughs> โอ้โหเอาแค่วันเดียวนโะยองนับกรรมไม่ท่วนงแล้วโยงคิดว่าคนมันจะสแกนกรรมได้ไหมเนี่ยโอ้โหพอพระเจ้าตรัสอย่างนี้หมดสิทธิ์เลยเหมือนเป็นนับเม็ดฝนในมหาสมุทรอู๋ใครมันนับได้ไหมเกิดดับยิ <c oughs> ้มเตมมืหมดเลย เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวอู้จิ ป, ปาถะเลยเกิดดับเกิดดับตลอดเลยเห็นไหมกรรมมีการเกิดและมีการดับกรรมก็เป็นอนัตตากรรมก็ไม่เที่ยงมีสมุทยัยมีนิโรธกรรมก็เป็นอรอิส ส, สี <c oughs> และกรรมคืออะไรพรุทธเจ้าบอกว่ากรรมคือตัวสี่านเนี่ยรูปเวทนา สัญญาสังขารสี่ธาตุนี้ซึ่งเปรบ เ, เหมือนะไรเปรบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วเมล็ดพืชงอกขึ้นมานะงอกเพื่ออะไรนะยางในพืช น, นั่นคือเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันประกอบกันสองอย่าง ก, า ก, ารากรรมเก่าอุลาณกรรมคือตัวยางในพืชเผาพันเดมของเราทำดีเร็วมายังไง อย่างที่สองผืนนาผืนนาตรงนี้ที่มเมล็ดพืชอย่างลากลงแล้วดูดซึมขึ้นมานะเห็นไหมผู้เจ้าอธิบายแยกภายเลยสุดยอดมากเลยนะเพราะฉะนั้นผู <c oughs> ้เจ้าอธิบายตรงนี้ต่อยังไม่พอนะดังนั้นอุปมาผู้เจ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้ปรับไม่ได้เลยเพราะอุปมาพผู้เจ้าจะไปลิงก์กันหมดเชื่อมโยงกันในพระสูตรอื่นจะบอกว่าผืนนาแบ่งเป็นสามระดับนะ ผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกไว้ผืนนาเลวคืออะไรผืนะ น, นาเลวคือพวกมหาปุจจธาสี่พวกเราเนี่ยผืนนาเลวผืนนาดีคืออัตตาที่สาเร็จด้วยใจใจเนลเมิดได้ผืนะ น, นาดีคือพวกที่ได้อัตตาที่สาเร็จด้วยสัญญาคือได้สมาธิตั้งแต่อากาสารังจัยจตนาขึ้นไป นี่คือกรรมที่เปรียบเหมือนผื่นนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืช น, นะ <c oughs> ดังนั้นขณะที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร น, นั่นคือการมีกรรมขึ้นใช่ไหและเมื่อวิ ญ, ญญาณดับลงก็คือกรรมดับวิญญาณเกิดก็คือกรรมเกิดกรรมจึงเกิดดับตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่วิญ ญ, ญาณเกิดดับกรรมก็เกิดดับด้ว ไม่มีใครนับกรรมทันหรอกนะครูเจ้าจึงบอกพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นหละที่รู้เรื่องนี้นะอืมดังนั้น <c oughs> จึงมีพระตถาคตเองผู้เดียวที่รู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องเป๊ะโดยไม่พลาดที่เหลือเนี่ยพลาดได้หมดนะถึงแม้จะมีจตูปปาตยานยานที่อย่างรู้ว่าสัตว์นะี่เกิดที่ไหนที่ไหนเพราะกรรมอะไรก็จะดูได้แค่ระดับหนึ่ง นะสาวกเนี่ยดูได้แค่ระดับหนึ่งเลยกว่านั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้กําลังมันหมดนะมันเป็นแค่กําลังของสาวกแต่พระเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณเท่าไหร่ก็ได้นี่คือความต่างกันดังนั้นเวลาสาวกพยากรเกี่ยวกับเรื่องกรรมจึงมีข้อผิดพลาดได้เพราะว่าสมมติว่าถอยไปได้หนึ่งแสนชาติเลยกว่านั้นเขาไม่รู้การพยากรมันจึงไม่สุดมีข้อผิดพลาดได้ นี่คือเหตุผลที่พระุเจ้าบอกเอาไว้นะพระพุทเจ้าจึงตัดกับนางมิกัสตรัสกับพระนนท์ในเรื่องของมิกัสาลาสูนะเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นจึงถือประมาณในบุคคลได้ พระพุทธเจ้าหรือเก่งเท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้นะ <c oughs> หมอดูจะหมดอาชีพซะแล้วมัง้งแต่มาคำพระพุทธเจ้ามาบอกเนี่ยหมอดูหมดอาชีพเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะเนะี <c> ่ย <oughs> เขาจะไ ด, ได้ความจริงไป ผัสะขาเมาื่อดืที่ที่ที่บอกว่าการคือเราอ่ะมีคือมีขันหา้าคอยังไงยังมีอายตนะที่จะต้องมีการรับรู้เพราะฉะนั้นผัสสะยังไงเราก็ก็ดับไม่ได้แต่ว่าในส่วนของการที่เรารูเราใช้วิธีรู้เท่าทันการกระทบและเข้าใจกระบวนการของผัสสะองค์ประกอบของผัสสะ วิธีในการดับภาษาคือผู้เจ้าให้กระจายภาษาออกนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาผู้เจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกภาษาตะเลโตคือเป็นผู้มีภาษาบางหน้าถูกภาษาบางหน้าหลงผิดในภาษาเข้าใจผิดในภาษานะด้วยการเข้าใจผิดในภาษาเนี่ยกรรมจึงเกิดขึ้นนะทิฏฐิหกิงจึงเกิดขึ้นที่ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องความเห็น62แบบของมนุษย์ในโลก เพราะความเข้าใจในภาษานั่นเองเข้าใจผิดนะดังนั้นเวลาเวลาเมื่อบุคคลภาสากระทบแล้วเนี่ยจะเข้าใจผิดไปหมดเลยนะคิดว่าภฐฐาษะเป็นเรารูปเป็นเราลูกตาเป็นเราวิญญาณเป็นเราทั้งที่องค์ประกอบของภาษาทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนหมดท่านอาจารย์บอกกระจายภาษาออก ก็คือยังไงอะคะคือให้เข้าไปเห็นว่าภาษาไม่ใช่ก้อนก้อนเดียวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคิดว่าเวลาเห็นปุ๊บฉันเห็นเธอเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิ่นนะเธอได้กลิ่นไหมนี่แต่จริงๆทุกครั้งที่มีภาษาจะมีสามองค์ประกอบเช่นการเห็นรูปจะมีรูปมีลูกตามีวิญญาณทางตา เสียงหูวิญญาณทางหูอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครเข้ามากระจายภาษาออกในทุกครั้งที่มีการเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นกระเป๋าใบหนึ่งเดินห้าอกระเป๋าไม่เที่ยงลูกตาที่เห็นก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงใช่ไห ม, มสงสัยจะไม่ได้ซื้อกระเป๋านะพี่ณาหลายรอบนะอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ นี่คือวิธีการกระจายภาษาแยกองค์ประกอบของมั น, นออกแล้เห็นว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแตกสลายพระเจ้าจึงบอกว่า <c oughs> สิ่งที่เกิดมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรดังนั้นในสายปฏิจจ์ภาษาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานพบชาติชราโมนะทั้งระบบเนี่ยไม่เที่ยงหมดเลยเพราะองค์ประกอบของภาษามันไม่เที่ยงตั้งแต่แรกเลยเห็นมนอะืม ดูกายสติปัฏฐานสี่ทำไมละ่ะใช่สติปัฏฐานสี่เป็นตัวทำให้เกิดปัญญาที่จะเข้าใจในระบบของภาษาเป็นมรรควิทยาหนึ่งมรรคปใช้ในการเข้าใจภาษาได้ทั้งหมดขอตอ่ะขอตุองมไมก่อนได้วย ไปเรียนท่านตรงนี้ครับตรงประเด็นเรื่องของการแยกหรือกระจายผัสสะนะครับกับส่วนของอินทรีสังวรยศีนเนี่ยครับไม่ใช่ว่าคืออันเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรครับอ๋อ <c oughs> จริงๆก็อันเดียวกันเลยเวลาเวลาเรามีอินทรีสังวรนี่พระสูต ร, รเรื่องอินทรีสังวรหกสิพระสูตรซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสอดรับกันทั้งหมดของคำพระตตาคต ที่สอนหลักๆเลยคือสังวรสํารวมอินทรีย์คือให้ตั้งจิตอยู่กับกายเข้าไว้กายยัตาสติดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นองค์ประกรอบของภาษาได้จะต้องเอาจิตอยู่กับที่ที่เดียวถึงจะเห็นการทํางานของระบบของวิญญาณกับขันท่าว่ามันทํางานกันยังไงเพราะเรากับวิญญาณตอนนี้เป็นตัวเดียวกันเวลาวิญญาณเกิดดับจึงเกิดดับไปพร้อมกันพร้อมกันไปเรื่อยๆ นะดังนั้นอุติชนทั้งหลายจะไม่มีทางรู้เลยว่าวิญญาณเกิดดับตลอดการเลยถ้าไม่เอาจิตมาตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนะคือเสาเขืนเสาหลักที่พระพุทธเจ้าบอกกายยคตาสติเปรียบด้วยเสาเขื่นเสาหลักของจิตนะให้เธอตั้งจิตไว้ในกายนะกายยคตาสติซึ่งมีหลายแบบมากล้วนเป็นกายยัคตาสติเช่นอนาปานัสสิตสติอธิฐานการงานหรือตามการเคลื่อนไหวรีบท เข้าชานหนึ่งสองสามสี่พินาสุภะกายยกตาสีหมดเลยนะมันจะทำให้เข้าใจในระบบของภัสสนะจะเห็นการทำงานของวิญญาณขันและบุคคลผู้เห็นการทำงานของวิญญาณขันเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกโสดาบันเราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจน ะ, ะเราจนะเห็นปุ๊บเดี๋ยวลุดไปคิดอดีตปุ๊บเดี๋ยวลุดไปคิดอนาคตปุ๊บเดี๋ยวไปสุดทุกบพอใจไม่พอใจปุ๊บเดี๋ยวกลับมาม จะเห็นเลยว่าวิญญาณบนอยู่ในสี่ธาตุนี้ซึ่งพระเจ้าบัญญาสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเห็นนะดังนั้นโสดาบันจะเห็นวิญญาณบนบุศีธาตุนี้นี่เป็นอสสาธารณายานญานคือความรู้ที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปมีแต่โสดาบันเห็นนะดังนั้นนี้จึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่พระเจ้าตรัสไว้ในโสดาบันตรงนี้ ว่าเขาจะเห็นวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาตุนี้นะ <c oughs> ดังนั้นวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้รู้ได้แค่สี่ธาตุดังนั้นเวลาจะไปรู้นิพพานเนี่ยถ้าเป็นจิตสภาวะของจิตผู้รู้อย่างเนี้ยนะไม่ใช่ละผิดละนะเพราะจิตผู้รู้ตัว น, นี้ยรู้นิพพานไม่ได้นะรู้ได้แค่สี่ธาตุนี่มีคุณสมบัติของมันอืมและการรับรู้ของวิญญาณขึ้นมาครั้งหนึ่ง จะต้องมีธาตุใดธาตุหนึ่งในสี่ธาตุนี้เสมอเลยวิญญาณเนี่ยรู้เดี่ยวเดี่ยวไม่ได้รู้นิ่งนิ่งไม่มีเวลาวิญญาณรู้อะไรขึ้นมาจะต้องมีรูปหรือเวทนาหรือสัญญาสังขารธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่ด้วยเสมอดังนั้นการรับรู้ครั้งหนึ่งจะต้องมีสองขันเสมอขันเดียวมีไม่ได้นะดังนั้นที่เขาแต่งกันว่าขันขันเดียวมีขันสีขันมีขันหน้าขันขันเดียวเนี่มีไม่ได้ สัตวนะ์ตานังที่มีคันเดียวไม่มีในโลกพูนะเจ้าตรัสติว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติคือตายการอุบัติคือเกิดของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เห็นไะ้มคำพร์เจ้าจะล็อกกันไม่เลยมิจฉาทิฐิการความเข้าใจผิดปิดเอาไว้ป้องกันเอาไวนะ้ดังนั้นทั้งเราศึกษาคำพระ ส, สานี มันจะแก้มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆได้หมดนะบางทีพระปฏิบัติไปก็เข้าใจผิดนะอรัดลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิบ้างอะไรบ้างดังนั้นพระุทธเจ้าจึงบอกบวชมาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตเธอจะต้องศึกษานะอืมสั่งภิกษุไว้เลยแต่แบ่งเวลายอย่าศึกษาทั้งวันวะ่ะทั้งวันต้องปฏิบัติปฏิบัติเก้าสิบปอร์็นศึกษาสิบเอร์เ็น ดังนั้นพระเจ้าแบ่งยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องปฏิบัติสิบหกชั่วโมงนะสิบหกชั่วโมงปฏิบัติไม่หมูนะสิบหกชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงกินขับท่ายศึกษาอีกสี่ชั่วโมงที่เหลือเดินสลับนั่งตลอดตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนะสิบสองชั่วโมงหมดแล้วพอตีสองตื่นนะอีกสี่ชั่วโมงเดินสลับนั่งมายันอารุณขึ้นใหม่ ่วมมชัโเขาต่อตรงนี้นิดเดียวครับ <c oughs> ก็คือนี่คือก็ทำเรื่องวิชาและจรณะสำบันโนไหมครับก็คือทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องสอดคล้องกันเอเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะวิชาคือความรู้จรณ ะ, ะคือเครื่องดำเนินไปวิชาคืออะไร อะไรคือวิชานะอะวิชาคืออะไรวิชาคืออะไรมีคนถามผู้เจ้า<ส>ความไม่รู้อันใดในอริยสัจสี่ผู้นั้นชื่อว่ามียวิชาแต่ถ้าใครรู้อริยสัจสีนั่นคือวิชานะ<ส>ผู้เจ้าจะสรรเสริญผู้ที่ผู้ที่เปรียบด้วยเมฆผลที่ทั้งตกและทั้งคำรามรู้ทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเพราถ้า ปริยัตไม่รู้จะทรงศาสนาไว้ไม่ได้นศาสนาจะสูญหายไปแปบ๊บเดียวถามอะไรก็ตอบไม่ได้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้นอแต่รู้อย่างเดียวเรียกว่าพอตัวเพื่อตัวเองไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นศา ส, สนาจะสูญสิ้นเร็วนะมั่นเป็นความจําเป็นที่ที่ผู้นําคือตัวภิกษุเนี่ยจะต้องเป็นทายาทแห่งธรรมของพระตถาคต จะต้องถ่ายทอดคําพระตถ า, าคตเพื่อไม่ให้ศาสนาันหมดไปศาสนาคือคําสอนศาสนีศาสนาคําที่พูดหลุดจากปากของผู้เจ้าผู้เจ้าจึงบอกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถ า, าคตนะเป็นทายาทแห่งธรรมของพระตถ า, าคตไม่ใช่ทายาทแห่งธรรมของใครไม่มีใครบัญญัติได้ตถ า, าคตเป็นศาสนาคือผู้บัญญัติสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนฟังคําบัญญัติศาสนาแล้วมาประกาศต่อ เครับคือผมสงสัยเรื่องจิตเดิมแทนนิดนึงครับคือว่าเท่าที่เคยอ่านไม่ทราบวัตถุหรือเปล่านะครับด้วยญาณของรพระพุทธเจ้าเองนะครับท่านยังไม่สามารถย้อนกลับไปถึงจุดตั้งต้นของสังสารวัตรอันนี้ใช่หรือเปล่าครับหม่ไม่จริงญาณของพระเจ้าไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถหรือสามารถท่านไม่สามารถย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของอสังสารวัตรนะครับ <c oughs> ท่าบอกจากนั้นก็ฟันธงไม่ได้เพราะว่าลักษณะของคำถามนี้คุณเจ้าจะไม่พยากรณ์นะแต่ถ้าจุดตั้งต้นของโลกเนี่ยผู้เจ้าเคยพยากรณ์ไว้นะแต่มันไม่ใช่ระบบของสังสารทั้งหมดว่าถ้าโยมไปดูพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อ ง, ง้วนบินนะก็จะมีตัดบอกไว้ว่าบางบางคราวเนี่ยโลกพินาศ โลกธาตุาทั้งหมดเนี่ยพินาศหมดเลยสัตว์ทั้งหลายจะไปเกิดในอาภาสราพรมและมีการยืดยาวนานบางราวเนี่ยโลกกลับเจริญขึ้นมาใหม่นะฮะพวกเนี้ยก็จะกลับมาเกิดในโลกแต่ลอยไปได้ในอากาศนะมีแสงสว่างในตัวจะไปเจอมวลดินนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจกักรวาลเนี่ยเต็มไปด้วยของเหลวพวกน้ำนะทั้งหมดเลยแต่มีมวนดินล อ, อยขึ้นมาให้สัตว์พวกนี้ก็ นิ้วไปแตะชิมซะหน่อยแสงสว่างก็เลยหายค่อยๆหายไปนะจึงมันเกิดเริ่มมันเกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นเกิดระบบของดวงดาวเกิดกังวันกลางคืนเกิดระบบของปีเดือนขึ้นอย่างนี้เนี่ ย, ยพูะเจ้าจะอธิบายระบบการเกิดของสังสารระบบโลกกระทานจนทั้งแตกทำลายพังไปหมดเป็นวงรอบนะแต่ที่สุดเนี่ย คำถามอันนี้จะไกลเกินไปผู้ชจ้าจะไม่พยากร <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงความเป็นสัพพัญญูของผู้เจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าหมายถึงพระองค์จะรู้ได้ <c oughs> เมื่อต้องการจะรู้คือสัพพัญญูนี่ <c oughs> ไม่ใช่มันจะมีคำหนึ่งเรียกว่าสัพพัทสาวี พวกปริพาชคอื่นก็จะเล่นอย่างนี้คือปริพาโชคอื่นก็จะคิดว่าคนที่เป็นสัพพทัสสาวีเนี่ยมีความรู้อยู่ทุกเรื่องอยู่ตลอดการตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่พระเจ้าบอกไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้าของพระเจ้าเนี่ยคือสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องแต่รู้เมื่อต้องการอยากจะรู้แต่ถ้าจิตไม่ได้น้อนไปเพื่อรู้จิตก็สงบนิ่งๆเฉยๆนี่คือความต่างกัน ประมาณนี้ก่อนนะเรื่องวิญญาณเรื่องกรรมมีเรื่องอะไรอีกพี่นากรรมเพ่งกับการที่สองนะอ่า กรรมขึ่งไปถึงข้อที่สองว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบรรดาลตรงนี้เข้าใจกันดีหรือยังนะไม่มีตนเองตอนเองก็ไม่มีเพราะตนเองคือสายปฏิจจสุบาท์นั่นเองเป็นธาตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะดังนั้นตัวเราเนี่ยไม่มีพระเจ้าจึงตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นของคนอื่นก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ ไม่มีของใครเลยเป็นท่าตามธรรมาชาติดนนะดังนั้นใครมองลึกถึงขนาดว่าตัวเราไม่มีเนี่ยกรรมก็จะไม่มีไปด้วยเจ้าเวนในกกรรมก็จะไม่มีไปด้วยมันจะหมดน ะ, ะหมดทั้งระบบเลยมีหลุดพ้นอย่างนี้น ะ, ะถ้ายังมีตัวเราแมนะ้สักนิดเดียวเนี่ยกรรมจะยังมีอยู่น ะ, ะเป็นอย่างนี้ส่วนกรรมข้อที่สามก็คือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น ความเห็นแบบที่สามนี่ทั้งเราทั้งเขามีหมดเลยเป็นเหตุแก่ดวงกรเนื่องสิน้นคือผสมข้อหนึ่งข้อสองส่วนข้อที่สี่ก็คิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ <c oughs> ซึ่งปฤภาชกคนหนึ่งเขาก็ถามผู้เจ้ากรำเป็นยังไงผู้เจ้าก็ปฏิเสธหมดปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกโอ้ตถาคตไม่รู้เรื่องกรำแล้วมั้งเนี่ยนะผู้เจ้าบอกก็องทราบทราบเรื่องกรรำ แต่ที่เธอพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครูเจ้าจึงบอกว่ากรรมเนี่ย <c oughs> เกิดจากผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเปล่าไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงสมณะพรามณและผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่ปลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยนะดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยครูเจ้าก็จะบอกอย่างละเอยียดเลยนะว่ากรรมคืออะไร เหตุเกิดของกรรมความดับของกรรมเวเมตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกัมเเดชานเปลวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีวิบากของกรรม <c oughs> จะมีสมระดับวิบากในเวลาปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกเรื่องวิบากของกรรมในระวันดีๆมันจะมีสองมุมนะ วิบากของกรรมมันจะมีสองมุมเลยมุมหนึ่งคือว่าทําอันนี้แล้วได้อันนี้นะอ่าไปฆ่าคนนี้แล้วจะมีผลอย่างนี้อ่า <c oughs> อีกมุมหนึ่งคือเรื่องของระดับของเวลาทํากรรมแล้วจะส่งผลทันทีหรือเวลาถัดมาแล้วเวลาถัดมาอีกเรียกวิบากของกรรมดังครูส่วนวิบากกรรมอย่างแรกเนี่ยที่ว่าฆ่าคนนี้แล้วคนนี้จะโดนฆ่าหรือไม่อะไรพวกนี้พระเจ้าบอกเป็นอจินไพรอย่าเข้าไปคิดจะมีส่วนแห่งความวิปลาส สอยา่างหนึ่งวิสัยของผู้เจ้าวิสัยผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกนะอันนี้อแต่วิบากของกรรมที่มนุษย์คนรู้คือปัจจุบันส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาทํามาอีกพวกส่งผลในปัจจุบันเนี่ยให้เราทราบที่เราทราบส่วนใหญ่มกักจะทราบเรื่องอนันตริษกรรมนะคือกรรมไม่ดีห้าอย่างส่วนฟังดีคืออะไรไม่ค่อยทราบกันนะอ่านะ ถ่าใหญ่เนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าปัจานทำผู้เจ้าฮ้อนได้ทำสงฆ์ให้แตกแยกแต่ฟังดีเนี่ย <c oughs> ที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีคือทำอะไรนะนึกออกไหมการทำสมาธิแปดระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจฌานอากาศานัญจาจตนะวิญญาณัญจาจตนาอากิญจัญญาจตนะเนวสัญญาณสัญญาจตนะ สมาธิ8ระดับนี้บุคคลใดทําแล้วจะส่งผลในทิฏฐธรรมทันทีนะ <c oughs> เป็นฝั่งดีดังนั้นเวลาโยมต้องการต้องการเหตุปัจจัยที่จะส่งผลในปัจจุบันมาอยากให้สําเร็จในปัจจุบันโยมต้องทําสมาธิ8ระดับขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้นะ อันนี้ก็ครบสี่อย่างแล้วนะหลกัลกๆมันคือสองอย่าง น, นะตัวนี้ตัวที่สามก็คือผสมทั้งสองข้อตัวที่สี่นี่คิดว่าเกิดมาเองลอยๆปัจจจากสาเหตุไม่มีไรกรรมโผล่ขึ้นมาเองอ่าอย่างนี้ <c oughs> อยากให้เข้าใจเรื่องปฏิจญาสุบาทกับกฎอีทัพปัจจยต า, าวันนี้เอาเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมาหนักหัวเกินไปเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> โยมเคยได้ยินอิทัปปัจจยตาใช่ไหมเครได้ยินปฏิจัตสูบาทมันเกี่ยวข้องกันอย่างไงอ่ะโยมไปเรื่องอริสสัตตสีมันเกี่ยวขอยงงยอ้องอกัยอย่างไงสามตัวเนี้อริสสัตตสีอิทัปปัจจยตาปฏิจัตสูบาทใช่ไหม <c oughs> เอ า, ก ว, ากว้างกว้างก่อนอริสสัตตสีทุกคนรู้ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรต์นะไอตัวทุก์สมุทัยนิโรธมรต์เนี่ย สมุทัยคือเหตุเกิดของทุกข์นิโรธคือความดับของทุกข์เวลาเหตุเกิดของทุกข์ผู้เจ้าตรัสสั้นๆนะตัณหาใช่ไห ม, มความดับของทุกข์ถ้าดับตัณหาทุกข์ก็จะดับนิตรัสแบบสั้นๆถ้าตัสแบบยาวๆเนี่ยจะใสฤฤ่ปฏิจจสุบาทสายเกิดทั้งก้อนลงไปเลยในตัวสมุทยัยและความดับแห่งทุกข์จะใส่สายปฏิจจสายดับทั้งก้อนเลยเข้าไปในนิโรธ ดังนั้นปฏิจจสุบาทสายเกิดกับสายดับก็คือตัวสมุทัยกับนิโรธดังนั้นการพูดเรื่องปฏิจจสุบาทคือการพูดเรื่องอริยสัจสีในส่วนสมุทัยและส่วนนิโรธว่าเหตุเกิดอย่างละเอียดเนี่ยเกิดมายังไงมีลําดับท่านอย่างไงและเหตุดับอย่างละเอียดเนี่ยดับไปได้อย่างไงเหตุเกิดของลายความตายและเหตุดับของความตายความตายเกิดมาได้อย่างไรและความตายจะดับไปได้อย่างไร อืเอาละ่ะเห็นภาพปฏิจจแล้วว่าปฏิะะปจจาคืออริสัตถีข้อสองกับข้อสามนะท่า น, นี้ปฏิจจามันจะประกอบไปด้วยอิทัพปัจจะตาแต่ละคู่แต่ละคู่ดังนั้นโยมต้องท่องกฎอิทัพปัจจตาให้ได้มันมีสี่บรรทัดเองอิมัสเมิงสติอทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุ ป, ปาทาอิทางอุปสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสสิงห์อสติอีทางนาหน้าโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางเนื้รู้สติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนิยมต้องจําให้แม่นแบบขึ้นใจเลยเพราะพูดต้องอยู่ในหัวใจเลยนะมโนภาพขึ้นได้ปั๊บเลยแล้วจะเข้าใจปฏิจจัง่ายขึ้นนะทีนี้เราไปดูว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอะไรลองไปดูปฏิจจังสายเกิด เราลองดูสายปฏิจจก์กลางกลางสายที่เรารู้จักเช่นผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานเอาตรงตรงนี้ก่อนง่ายๆเห็นไหมว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเห็นไนหะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาแต่ละบรรทัดเนี่ยแต่ละบรรทัดนี่คือกฎอิทัพปัจจิตาแต่ละอัน ที่เลี่ยงร้อยกันมานองดูนะภาษาเวทนาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ อ, อสิ่งนี้ไม่มี so split, สิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเมื่ ouais อภาษามีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งภาษาเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าภาษาม่ม <suggesting S 2> ีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปภาษะเวทนาจะดับไปอิทธาเป็นตาไหมเห็นไหม ลงมายีันทัทหนึ่งเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยเมื่อเวทนามีตัณหาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นในเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแหงเวทนาตัณหาจะดับไปถ้าโยมดับความพอใจได้ความอยากหมดเลยน ะ, นะดับภาษาได้เวทนาไม่มีเดินหลับตาซื้อของไม่ได้แนะน่เลยนะเออ ดับนะอัตตานะนเนี่ยเหตุเกิดของการแล้วกันดังนั้นปฏิจจสุบาททั้งก้อนเนี่ยคือกฎอิทธิปยาตาแต่ละคู่แต่ละคู่เยลยงร้อยกันมาเห็นการเชื่อมโยงกันนะมอ่าอ่าเข้าใจแล้วอิทธิปยาตาคืออะไรปฏิจจคือรวมทั้งก้อนของอิทธิปยาตาและทั้งก้อนเนี่ยก็คือสมุทัยกันนี้เลยในอริสสีง่ายไหม <c oughs> ปติจารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้หละต้องรู้และถ้ารู้แล้วเนี่ยธรรมะทุกเรื่องของพูะเจ้าเนี่ยยมจะเข้าใจว่ามันแตกลูกมาจากตรงนี้ทั้งนั้นหละมันจะเป็นเหตุเป็นผลยมจะเข้าใจถึงระบบของเหตุผลยอมจะอธิบายได้ด้วยคำพูด ไม่มีอะไรที่แบบอธิบายไม่ได้นและตัวที่จะไปอธิบายคือตัวปฏิจจะอย่างเช่นผู้เจ้าสอนให้ลกความเพลินจิตรับเลื่อยขึ้นมาปุ๊บละเลยเป็นละทาไมใช่ไหมทําไมต้องลกความเพลินมีประโยชน์อะไร น, ะนั้นถ้าไม่เข้าใจปฏิจจ์จะตอบไม่ได้ว่าละความเพลินมีประโยชน์อะไรเอ๊ะไป ไปทิ้งเาลงไปใจเฉยหรือเปล่ามันต้องคิดไข้ควรเหตุผลสิใช่ไหมอยู่ๆไปทิ้งมันเลยได้ยังไงปุ๊บจะไม่รู้เหตุผลแต่ถ้าเข้าใจปฏิจจาวิภูเข้าใจเลยนะอย่างยมดูชาติชาติม า, ามรณะเพราะมีชาติเป็นปัจจัยนะชาลามรณะโสกราปริเทวะจึงเกิดขึ้น <c oughs> ก็คือถ้ามีการเกิดตายจะมาจะมีมาขึ้นถูกต้องไหม เข้าใจใช่ไหมที่พระเจ้าถามพานนทว่าถ้าชาติเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พานนทบอกไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นอะไรก็ตามถ้ามันเกิดมาแต่เหตุแล้วเราไปดับเหตุมันผลตรงนี้มันจะไม่มีฝนมันตกเพราะมันมีเมฆใช่ไหมถ้าโยมทําให้เมฆหมดไปจากโลกเนี่ยฝนไม่มีแม่เลยถูกต้องไหมอ่าหลักเดียวกัน่นนะ ดังนั้นถ้าโยมดับชาติได้สนิท ต, ตายจะไม่มีและก่อนชาติเกิดจะมีพบเกิดถ้าโยมดับพพได้สนิทชาติก็จะไม่มีแก่ตายก็จะไม่มีนี่คือวิธีของพูะเจ้าและนี่คือเหตุผลนะพูะเจ้าตรัสอย่นี้ว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเนี่ยโยมคิดเรื่องไรก็ตามวิญญาณไปตั้งตัวนั้นแล้วเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการปรากฏขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปยอ่อมมีพบมีแล้วเห็นไหมอ่าและอีกสูตรหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าพบแม้ชั่วรัตนิมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุจจาระปัสสาวะเมื่อเปื้นอนแล้วต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้ไหว นี่เป็นเหตุผลว่าการปรากฏขึ้นของวิญญาณคือการสร้างพบแม้นิดเดียวเนี่ยมันจะนํามาซึ่งชาติและชรลาหมรณะเราจึงต้องเข้าไปดับเหตุละ น, นันทิตูมทันทีจิตเกิดปับ๊บดับเลยจิตเกิดปับ๊บดับเลยดับเลยดับเลยดับเหตุเพราะจิตเกิดดับตลอดเวลาเราดับแล้วมันไม่ได้เก็บไว้ตรงไหนมันดับแล้วก็แตกสลายไปแล้วมันเกิดประมาท ใ, ในอารมณ์ในอารมณ์เดิมนะั่นคือจิตดวงใหม่ไม่ใช่จิตดวงเก่า ของใหม่ตลอดของใหม่ตลอดนะอะไรดับไปแล้วคือดับกันละจบไปแล้วเรารับรู้อารมณ์ใหม่ก็จิต ด, ดวงใหม่นะแต่ไปรับรู้ในอารมณ์เดิมนะอ่านะแต่เป็นวิญญาณดวงใหม่แล้วอ่านะแต่เป็นพบใหม่นะเมื่อพบเกิดขึ้นต้องละทันทีนะอ่านะ <c oughs> อย่างนั้นเดียวมั่งสมาธิอยู่รู้ลมหายใจคิดถึงสิ่งใด ดำเนิถึงสิ่งใดวิญญาณไปตั้งแล้วเนหะ็นไหมวิญญาณออกจากกายแล้วนะกายขณะนั้นไม่มีวิญญาณครองแล้วและถ้าร่านกายโยนตายไปในขณะนั้นนั่นคืออัตภาพใหม่ของเราทันทีนซึ่งพุทธเจ้าบอกจะเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีถ้าโยมไปคิดอาุศสก็ไปอบายก่อนคิดกืศสก็ไปสุคติก่อนนี่ให้ผลทันทีเลย คือพบนดังนั้นเวลา <c oughs> เวลาจิตรับรู้อารมณ์ุกเนี่ยรับรู้อารมณ์ปั๊บวินาทีแรกพบเกิดขึ้นถูกต้องไหมอ่าและจะยมรู้ต่อไปเรียกว่าอะไรชาติและจะจบด้วยชลาโมนะดับเมื่อดับจิตดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปด้วยดับพร้อมกันเพราะรูปนามกับวิญญาณเกิดพร้อมกันแตก สลายก็พร้อมกันเปรียบเหมือนแสงกับฉากนะเกิดขึ้นพร้อมกันกระทบกันเกิดขึ้นอาศัยการละกันในการเกิดขึ้นวิญญาณกันามรู้นะวิญญาณดวงใหม่รับรู้ลงใหม่ปั๊บพบเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชลาลมน่ะนี่คือสังสารวัตวงจรของจิตจะเกิดอย่างนี้เกิดผูกติดการลงดับเกิดพบชาติชราลมน่ะดับตลอดเวลาเลยเนี่ย ดังนั้นภพชาติจึงเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกขณะจิตนะเพียงแต่ร่างกายยังไม่ตายแต่คนส่วนใหญ่เป็นมองว่าภพชาติเนี่ยมองแต่รูปธาตุอย่างเดียวเนี่ยก็เลยมองว่าโอ้ภพใหม่ต้องก็รูปตายแต่ขณะนั่งอยู่นี่ภพก็เกิดตลอดเกิดป๊บป๊ปุ๊บป๊บปุ๊บตลอดเลยและทุกขณะของจิตเป็นจิตสุดท้ายได้หมด เพราะวิญญาณขันไม่รู้ว่าร่างกายมันจะพังเมื่อไหร่วิญญาณไม่รู้จักกับรูปนี่ต่างคนต่างเป็นธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดดับวิญญาณก็เกิดดับไปตามภาษาลูกจะเป็นมะเร็งวิญญาณรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องวิญญาณก็ยังเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะลูกจะแก่รูกจะเจ็บรูกจะตายวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องนะอ่าดังนั้นขณะที่วิญญาณไปคิดเรื่องอะไรก็ตามรูปตายพอดีโปะเรียบร้อยนั่นคือจิตสุดท้ายซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจิตสุดท้ายจะ เกิดขึ้นเ ม, มื่อไรนะดังนั้นจึงต้องเฝ้า ร, ระวังทุกขณะจิตนะ <c oughs> เห็นความสำคัญไหมอ่า <c oughs> นี่แหละทั้งหมดเนี่ยปฏิจจสุบาทจนมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องรู้และยังจะเข้าใจเหตุผลของพระุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าสอนมักคุเทศกนี้ทําไมสอนมักวิธีนี้มัคคุเทศนี้เป็นยังไงมัคคุเทศนี้หยาบมัคคุเทศกนี้ละเอียด ท่นี้โยมถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้โยมจะมาอาตมาให้โยมวิเคราะห์เรื่องอสุภะหรืออาหารเป็นปฏิคูลดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิแล้วโยมก็คิดเรื่องอสุภะพบเกิดไหมเกิดละ่ะเห็นไหมโยมไปคิดเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลพบเกิดแล้วใช่ไหมนี่ดังนั้นจริงๆแล้วมรรคพิธีพวกนี้ถ้าเทียบกับมรรคพิธีการละนันทิหรือกายคตาสิแบบอื่นมรรคพิธีพวกนี้ยังยาก อย่าเพลาดอะไรวะพบเกิดแล้วนะแต่คนโดยทั่วไปเนี่ยทิ้งความคิดไม่เคยได้ดังนั้นจึงเป็นวิธีพื้นฐานที่เมื่อคนทิ้งความคิดไม่ก็ได้เนี่ยผู้เจ้าให้ไปคิดอุศนก่อนการคิดอุศนคือการคิดเรื่องอสุภะเรื่องอาหารเป็นปฏิภูนเรื่องให้ควรปฏิจจ์อิปปัตถะให้คนรธรรมะไปอกุศลมนจะถูกละไปโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมอ่านี่เป็นวิธีแต่ถ้าดีที่สุดคือไม่คิดเลย เพราะคิดปุ๊บหนึ่งในพบเกิดทันทีซึ่งยากไหมยากจริงต้องแบ่งกลุ่มความคิดก่อนเนี่ยว่าอันดับแรกต้องทิ้งอกุศลก่อนการไปบาทเกยดเบียนต้องทิ้งก่อนจากนั้นคิดกุศลพอคิดกุศลปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นโทษของการคิดกุศลแล้คิดกุศลก็เกิดดับเริ่มปล่อยวางกุศลให้คิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อ ย, ยๆดังนั้นแค่เนี้ยการฝึกกาลังแค่เนี้ยเป็นสิบปีนะโยมต้องเล่นจะเป็นสิบปี ต้อถูกฝึกไปเรื่อยๆนี้เราจะเข้าใจเหตุผลแล้วทำไมผู้เจ้าสอนกันละนันทีมากนนั้นถ้าโยงขีเข้ามานันทีก็ไปสแกนหนาจะเจอห้าหร้อยข้อสุดเยอะมากเลยโยงเจอผู้เจ้าผู้เจ้าจะสอนใจให้ละนันทีละนันทีคือเข้าไปดับเหตุมันเลยเร็วที่สุดเลยจิตเกิดเปื้อดับปับ๊บพบดับทันทีเลยเห็นไหมอ่าอย่างนี้ อือะิดไหมน่ะเปลี่ยนใหม่อือฮะ อ่ะใช่ใช่กองวิญญาณถูกต้องใช่ใช่ใช่ อย่างนี้ในการคือมันเป็นลำดับขั้นในการในการทำความเข้าใจและการปล่อยวางวิญญาณขันเนี่ยมันวนเข้าไปจับในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสี่ขันเนี่ยพระุทธเจ้าบอกปล่อยวางให้หมดเราก็ปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมถ้าปล่อยวางหมดเลยเนี่ยจบเลยแต่จะทำยังไงในเมื่อปล่อยวางไม่ได้ ผูจ่บอกท้าวนั้นอวโลก่อะที่ที่หนึ่งก่อนรักษากายเอาไว้แล้วปล่อยอีสามขันที่เหลือแค่เนี่ยยี่สิบสามสิบปีนั่งทำกันไปล่ลยใช่ไหมวางความคิดในโยมมันง่ายไหมเนี่ยทั้งอกุศลั้งองกุศลก็ออุย้ยจิตปลาฐานนะแค่นี้ก็เล่นกันเป็นสิบสิบปีแล้ะใช่ไหมนล่งจิตก่อบกู้กายไว้ดังนั้นเมื <c oughs> <c oughs> ่อจิตก่อกับกายปุ๊บเนี่ยแล้วราไปสร้างการเกิด ดับไปสร้างการเกิดใหม่ในนามธรรมอีกสามตัวเวทนาสัญญาณสังขารแล้วเราวางตลอดวางตลอดวางตลอดเอากลับมาอยู่กับกายหนึ่งเราได้อะไรทุกขณะที่ทำํำตรงนี้ยเห็นการเกิดการดับตลอดเลยนะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับตลอดเลยและขณะที่อยู่กับกายทําไมพระเจ้าบอกเธอกําลังทําความเพียรเผาพิเลย ม, มันเผาพิเลยอะไรมันเผาภาวะตัญหาความอยากในการสร้างพบภาวะคือพบ ตัณหาคือความอยากเพราะจิตมันอยากจะไปเกาะเดี๋ยวไปเกาะนี่เดี๋ยวไปเกาะนี่กิเลสตัณหาถูกเผาตลอดเลยขณะที่เราทรงจิตยอยู่กับกายเห็นนะอหาแค่นี้ก็ได้เยอะละได้เยอะละและเราจะเห็นอะไรขณะที่เราทำอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่เราจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตเกิดดับเกิดดับจะเข้าใจอะไรเข้าใจอริสสีเข้าใจว่านามทั้งหลายเนี่ยล้ลวนเป็นอ น, นัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เข้าใจแม้แต่ด <c oughs> ินงานเองซึ่งหลุดจากกายไปไปรู้ตรงนี้ก็เป็นอนัตตาดังนั้นเมื่อํำอย่างนี้ไปนานๆจิตที่เข้าไปอาศัยกายในการตั้งอาศัยไว้เนี่ยเขาไม่ใช่ยึดกายแล้วนะครูเจ้าบอกวินญานขันนี้อาศัยกายเป็นเพียงเครื่องละลึกเพื่อให้เห็นอริยรสัจสัจจกความจริงคือการเกิดการดับตรงนี้ นี่เองดังนั้นเมื่อกาะกายไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตกายตาททำลายปั้งวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เขาดูการเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเบื่อหน่ายในวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกระบวนการตรงนี้นะสมมติว่ามี มีของสองสิ่งนะโยมอยู่กับลหมหายใจปับ๊บหลุดไปคิดกลับมาลหมหายใจหลุดไปแล้วกลับมาขณะที่จิตมาไปอยู่อย่างเนี้ยเราผ่านกระบวนการอะไรไปแล้วผ่านกระบวนการคือจิตตรงนี้จะดับจิตตรงไห่จะเกิดเราไม่ทันฟุบไปทันตรงนี้นะ และส่วนใหญ่ก็คือไปทันเมื่อเพลินไปแล้วสิบนาทีห้านาทีอย่างนี้ใช่ไหมเราจรึงต้องรักความเผยให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนกระท่านกระพริบตาเดียวผู้ชจ้าจึงชมว่าเธอมีสีเปอ่านาชันเลยนั่นคือหลุดพราะว่าเรากลับมาได้เนี่ยพบเกิดแล้วใช่ไหมพบเกิดแล้วแต่กระพริบตาเดียวแต่ต้องเร็วกว่านั้นเพราะขนาดที่หลุดไปอย่างเนี้นะมันผ่านกระบวนการดับเกิด วิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดสัตตานังเข้าไปคว้าวิญญาณดวงใหม่ต่อเพราะมันหลงวิญญาณเห็นไหมโอ้โหมันมีจี่กระบวนการวิญญาณดวงนี้ดับสัตตานังหวงเหวงแล้วไขว้คว้าอะไรไม่ได้คว้าวิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงใหม่เกาะตรงนี้สัตตานังยึดตัวนี้นี่ถ้ายัไม่รู้จักสัตตานังยงก็จะไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้เห็นนะว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งกําลังเข้ามาหลงยึดวิญญาณทุกตัวงเลยไปไปไปไปกับวิญญาณอยู่ตลอดเวลาขอลึกลงไปอีกถามว่า มันไปยังไงนะไอสัตว์นางมันไม่มีการเคลื่อนมันนิ่งสนิทแต่มันกว้างใหญ่มหาศาลมันคือสุญญตาความว่างดังนั้นเวลาวิญญาณดวงไหนเกิก็ตามมันจับปุ๊บได้ทันทีพรมโลกมันก็จับปุกได้เปรีิสัยจับปุ๊บได้ทันทีมันเหมือนตัวมันยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันคือความว่างสุญญตานะมันไม่มีระยะทางนะระบบระยะทางมีในสมมุติในดิมุสมันไม่มีระยะทางจินตนาการดีๆนะมันคือสุญญตาคือขด ทุกอย่างลงมาเข้าสู่ศูนยะ์่ะเข้าสู่ความว่างทั้งหมดเลยดังนั้นมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละนะแล้วมันอยู่แผ่ไปทุกอนูเลยเป็นอนูของความรู้หมดนะดังนั้นมันจึงจับอะไรก็ตามพบไหนก็ตามไม่ต้องการเวลาปุ๊บปุ๊บปุบปบ๊ได้ทันทีเลยนะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อกระบวนการนี้เกิดดับไปเนะี่ยพระเจ้าจึงตัดไว้ในขณะที่ วิชาวิมุตจะเกิดขึ้นเนะี่ยเมื่อจิตตั้งมัน่นพอดชมเจ็ดตัวสุดท้ายอุเบขาสัมโพอดชมภิกษุนั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีและวิชาวิมุตจะปรากฏยังไงเธอนั้นอาศัยวิเวก ค, คือจิตตั้งมัน่นวิเวกในจิตอาศัยวิลาคะจางไกลาอาศัยนิโรธความดับของจิตพอดับปุ๊บเนี่ยเบื่อหน่ายพอไหมวิญญาณ ไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ใช่ไหมจะเกิดการปล่อยวางตรงนี้ทันทีระหว่างวิญญาณดวงดวงเก่าดับดวงใหม่กำลังจะเกิดสตันนังไม่ไปคว้าวิญญาณดวงใหม่ก็หลุดพ้นเลยดังนั้นขณะที่จิตเกาะ อ, อยู่กับกายเป็นตำแหน่งที่จะหลุดพ้นได้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการหลุดพ้นนะและเมื่อคนเราฝึกการอยู่กับกายอยู่ตลอดเวลาจะทาให้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับ จะเกิดความเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายในวิญญาณนิพิทาต้องเกิดนะความเบื่อหน่ายวิราคะใคราความพอใจต้องเกิดและวุฒิสักขะต้องการปล่อยวางจะรอจังหวะ ก, การปล่อยไม่ทันไดไม่ทันฝึกสติจี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปปุ๊บจะทั้งณนะวันหนึ่งอินทรีย์พาวนาสมบูรณ์บริบูรณ์นะปัญญาพร้อม นะอยากปล่อยเต็มที่สปิดเร็วทันพร้อมสมาธิตั้งจิตพร้อมจบจออยู่ตรงนี้ลอยต่อระหว่างวิญญาณพร้อมคนนี้จะปล่อยวางได้ทันดังนั้นลอยต่อระหว่างวิญญาณดวงเก่าดับวิญญาณดวงใหม่เกิดเนี่ยลอยต่อตรงนี้พระตถาคตเรียกมันว่าช่องว่างในที่คับแคบน ะ, ะเข้าใจไหมมือต่อมือปิดกันเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างใช่ไหม อนี่นำมาทำต่อ น, นามาทรมมันจะละเอียดขนาดไหนวิญญาณกับวิญญาณต่อกันติดกันอย่างเนี้ยมันจะละเอียดขนาดไหนนี้เดียวท่ น, นเองผู้ช่ายจะบอกยากมากอืมดังนั้นถ้าเราไม่ละความเปลินให้เร็วดรืกระพริบตาเนี่ยโอกาสจะเข้าจังหวะตรงเนี้ยยากนะจึงต้องคอยละนันทิละนันทิพบเกิดปุ๊บทิ้งพบเกิดปุ๊บทิ้งทิ้งทิ้งทิ้ ง, ง, งิ้งตลอดเลยเห็นไหมแต่นี้ถ้าเราไม่ทิ้งเนี่ย ยังสนใจอยู่โกรธเขาก็โอ้ทำไมถึงโกรธนะยังง้นพินาเหตุผลจีปาธนะสร้างพบใหม่เพื่อละพบใหม่อยู่อย่างนั้นนะ่ะพบเกิดตลอดเห็นไหเอไม่จบเลยหลุดพ้นไม่ได้สักทีหนึ่งอ่าอื้อ จิตไม่สามารถที่ช่องว่างตรงนี้เหรอคือช่องว่างมันระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณมันคือที่ที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปมันคือวีมุตต์นั่นเองมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งนะอ่าและสิ่งสิ่งเนี้ยที่มันจะหลงจับยึดวิญญาณดวงใหม่ตลอดเวลาให็นไหมอ่า ใพระอาจารย์อธิบายเรื่องสมถกรรมาฐานครับว่ามันแทนสิ่งที่บอกว่ายึดอยู่กับตรงนั้นได้หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นสมถะนี่เราก็ไม่สามารถจะไปมีสติรับรู้การเกิดดับที่อื่นได้มันก็จะไม่เกิดข้ไม่ใช่คําพูดนี้ผิดครับคนมักจะไปพูดผิดนะเพราะฉะนั้นคําพูดนี้ไม่ใช่คําตถาคตว่าสมถะเราจะไม่เห็นนะเพราะนั้นจิตเกาะอยู่กับที่ที่เดียวเนี่ยแต่วิญญาณดวงหนึ่ง เกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนโยมเอาจิตมาเกาะที่ที่เดียวในที่สุดวิญญาณดวงที่เกาะจะต้องดับจะต้องดับแน่นอนโยมก็จะต้องเห็นการเกิดดับดังนั้นการเกิดดับเนี่ยมีอยู่คาตาเราตลอดเลายอยู่ที่คนคนนั้นจะเห็นไหมนะแต่เป็นเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณดวงใหม่ตลอดนะที่ออตมาบอกว่าเราไม่เห็นกระบวนการตรงนี้ขณะที่จิตหุดไปคิดเนี่ยมันมีดับมีเกิด เราไม่ทันตรงนี้ไงดังนั้นเวลาวิญญาณไปเกิดปุ๊บก็เป็นเราตรงนี้แล้วเราก็มองไม่ทันเราก็เพลินไปกวัวจะทันผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงสิบนาทีอย่างนี้เพิ่งมารู้ตัวว่เาเปลี่ยนอารมณ์แล้วเนี่ยรีบลบหายใจไปแล้วเห็นไหมอย่างนี้นดังนั้นสมถะกับวิปัสสนาติดกันเลยอยู่ที่ใครมีไหวพลิก ป, ปฏิพานในการเห็นหรือไม่นะพระเจ้าจึงตรัส ว่าถ้าบุคคลจเจริญสติปัญฐาสี่แล้วไม่มีไหวพริบปฏิพานในการเห็นการเกิดกับก็หลุดพ้นไม่ได้เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทําครัวให้กับพระราชาหรือมหามาดนะแล้วไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อยก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระราชานะหลักนี้ดังนั้นคนส่วนใหญ่จะบอกอุสมถะเหรอนะหลุดพ้นไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้ว เหตุของการเห็นวิปัสสนาก็คือสมถะนั่นเองจิตต้องอยู่ตรงนี้ดังนั้นอริยมรรคมีองค์แปดเวลาพูดย่อเหลือสองพระเจ้าจะกลัดว่าสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานเน่ยตัดคํานี้ทิ้งไปได้เพราะเป็นคําที่ไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาเลยนะกรรมฐานเนี่ยคนมาใช้ผิดทีหลังนะกรรมฐานน่งแปลว่าฐานะแห่งการงานคือการงานทางโลกการค้าการขายการไถ่ไถานานนะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับภาวนา มักเมงแปดจะพูดแค่สมถะกับวิปัสสนาเท่านั้นนะดังนั้นขณะที่จเจริญสมถาะาคือจิตมีลมอันเดียวจะเห็นวิปัสสนาไปด้วยแต่อยู่ที่ไหวพลิบคนนั้นนะว่าจะสังเกตไหมจะเป็นม้ากระจอกหรือเป็นม้าอาชานไยถ้าม้าอาชานไยจะเห็นม้ากระจอกจะไม่เห็นนะดังนั้นเวลาทําสมาธิทุกครั้งผู้เจ้าจึงตอบย้าว่าเธอต้องตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้า ทุกครั้งเลยไม่ว่าจะได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานยันสมาธิขั้นสุดท้าย น, นี่คือสิ่งที่ต้องทําถ้าเราทําสมาธิอย่างเดียวคือสมถะโดยไม่เห็นการเกิดดับไม่ได้สดับในธรรมตรงนี้ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาที่ยังเป็นปุถุชนเมื่อหมดอายุไขก็ยังไม่พ้นนรกกัมเดชฌานเปลวิสัยนะอืะ<ม>เป็นอย่างนี้ มีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมหลายเรื่องนอาจเจนข้างหลัง ากากลับคื อ, คอในใชีวิตประจาวันเนี่ยในส่วนหนึ่งเราทํางานด้านพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาคุณภาพเนี่ยโดยหลักก็คือทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันเลวร้วายก็ให้มันลดละเลิกอะไรครับแล้วทีนี้ในการปรับปรุงองค์กรหรือการทํางานเนี่ยมันก็จะมีการคิดในเชิงไปข้างหน้าว่ามันในเชิงป้องกันหรือโปรแอคทีฟลักษณะนั้นเนี่ย อันนี้ถือว่าจิตเป็นอกุศลไหมครับหรือว่าการคิดออกนอกตัวเกินไปไหยครับหรื อ, อก็ไม่คือมันยังอยู่ในระดับของโลกนะคนเราเนี่ยพู้เจ้าบอกเจริญทั้งสองทางได้ดังนั้นถ้าโยมยังต้องทำสัมมาอาชีวะต้องเลี้ยงชีวิตชอบนะโยมก็ให้มีธรรมะอีกห้าประการ พุทธเจาบอกมนุษย์เราเนี่ยจเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุษเจริญด้วยสัตสีท้าวขณะเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธาการสั่งสมสุตะเจริญด้วยศีลจารค้าปัญญาคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ด้วยขณะที่โยมต้องการทั้งคู่ไปพร้อมๆกันแน่นอนไอวิมุตต์ก็ต้องดอกลงมานะ แ, แต่ได้ไหมได้ โสดาบันในเพศกัลาวาณ์ก็ทำได้ดังนั้นยมก็ต้องตีกลอกของเราแล้วว่าเราชีวิตเราจะเอาแค่ไหนอาตอมาจึงบอกแต่โสดาบันให้ได้ก่อนสินห้าบริบูรณ์ไม่หวังหายในปลาลักษณะไกรมั่นคงอย่างอื่นไม่เอาวัตะโกตูลมมงคลทุกแบบเราวางหมดนะร้อยเปอร์เซกับพระเจ้านะยมก็ทำงานได้คิดได้พัฒนาะไรต่อล ไ, ได้เพราะปัญญาในการคิดพิจารณาอะไรก็ตาม จะเกิดขึ้นได้ดีเนี่ยต่อเมื่ออกุศลหรือนิวรห้าดับนะนิวรห้าเนี่ยเป็นเครื่องทําปัญญาให้สามนะแต่ถ้าโยมดับอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยปัญญาจะแล่นปัญญาจะกว้างขวางปัญญาไพบูนปัญญาเร็วปัญญาไวโอ้พระเจ้าตัดเยอะๆเลยแง่มุมของปัญญามันจะเกิดมาทุกอย่างดังนั้นพัฒนาคนไม่ต้องพัฒนาอะไรพัฒนาให้จิตเขาเนี่ยไม่มีอกุศล พัฒนาจิตของเขาให้มีมีสมาธิมีสติคนคนนั้นดีเองการให้อภัยจะเกิดขึ้นนะการประณีประ น, นอมความคิดบวกนะคุศลต่างๆเกิดหมดโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องทำอะไรนั่งเงียบเงียบรู้ลมหายใจเข้าออกไม่น่าเชื่อนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ ก็ได้เรื่องหลักๆ ก, กันไปเนาะวิญญาณเวียนไหวตายเกิดไม่มีคนเวียนเกิดเวียนสิ่งเวียนเกิดเวียนตายคือสัตตานังนะเรื่องของกรรมมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆนะเรื่องความเป็นโสดาบันน ะ, ะได้เรื่องหลักๆไปหลายเรื่องมีคําถามอ่ะค<ะ>่ะหนูเออ อยากถามเรื่องอันนี้กลับมาเรื่องของปฐมประชานแล้วนะคะทีที่เป็นสมาธิขั้นแรกเนี่ยอจะมีกับวิตกวิจารณ์เนี่ยค่ะหนูอ่านในหนังสือก็แปลว่าตรีแปลว่าตรึกเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้ละวิตกแปลว่าตรึกแล้วก็วิจารณ์แปลว่าตรีอยเงี้ยหนูไม่เข้าใจค่ะหนูอยากให้ท่านอธิบายให้หนูฟังหน่อยในปฐมบัญชานะคะก็วิตกวิจารณ์เนี่ยคือการ เมื่ออกุศลดับไปแล้วแสดงว่าวิตกวิจารณ์ไม่ใช่ความคิดอกุศลคือไม่ใช่ความคิดในทางกามทางปริวาต์ทางเบ็ดเปลี่ยนนะแต่มันก็ยังเป็นความคิดอยู่ปุยญาเริ่มจัดกลุ่มของความคิดแล้วว่าเธอต้องรักความคิดกลุ่มนี้ก่อนแล้วสร้างความคิดกลุ่มนี้ขึ้นมาคือวิตกวิจารณ์อย่างเช่นโยมยกเรื่องอาหารปฏิกูลขึ้นมาเมื่อรู้ลมหายใจสะพัด เป็นนึกอาหารที่ทานเนี่ยก็บูดเน่าเป็นอุจละปัสวะเนี่ยพอยกเรื่องอาหารขึ้นมาจะาพนนิจารณิวิตกวิจารก็พิจารณาต่อไปว่าอาหารมันบูดเน่าแล้วเป็นอุจจระปัสวะไปแล้วพรุ่งนี้จะกินอาหารต่อมันก็คงจะเหมือนกันกับวันนี้นะไค้โกลนเรื่องนี้วิจารณ์เกิดปิติขึ้นมาเกิดความสุขเออใช่อาหารมันเป็นอย่างนี้จริงมันมันไม่มีอะไรเลยที่สวยงามใช่ไหมเป็นเพียงท่าสีดินน้ำไฟลม ปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นนี่นี่ลักษณะของวิตกวิจารณ์นะซึ่งแม้จะเกิดพบเกิดชาติชรามแล้วนะเราก็ยังยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้แล้วเราค่อยๆละทิ้งมันทิ้งมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ผู้เจ้าจึงบอกสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์เป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าและปราณีตกว่าดังนั้นมันมีวมักมัคคุเทศที่แยบคายแยบคายขึ้นไปเรื่อยๆอาตมาจึงบอกว่ามัคคุเทศที่มันยังสร้างพบอยู่เนี่ยมันหยาบไงอ่า ดังนั้นมารวิธีที่ละเอียดของผู้เจ้าคือทิ้งภพเลยทิ้งชาติเร็วที่สุดยิ่งดีเพราะเวลาถ้าอากุศลเนี่ยถ้าพบที่เป็นอกุศลเนี่ยผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนไฟไหม้ลุกเสื้อผ้าเราแต่ถ้าพบทุกชนิดจะเปรียบเหมือนมูดคู่ที่เปื้อนเรานะแม้นิดเดียวก็น่ารังเกียจไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีคุณค่าเลยนะที่พอจะกล่าวได้เห็นไห พอฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มเห็นภาพแล้วโอ้โหย่างนี้ต้องความคิดทุกเรื่องเลยสินี่ยโอ้โเล่มใหญ่ใช่ไหมอ่าก็ต้องเลยต้องค่อยๆสู้ไปไงทีละเล็กทีละ น, น, น้อยอาจารมาก็เลยบอกว่าพอเห็นภาพนี้นะเอาแตะโซดาบันก่อนดีกว่าใช่ไหมแล้วมันจะได้ค่อยๆก้าวไปตีละขั้นตีละขั้นอ่า อ, อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> สมาธินะคะก็คืออย่าง น, นั่งสมาธิอยู่หรือว่าในชีวิตประจําวันถ้าเห็นเสภาวะการหมุนเวียนเปลีป่ยนไปหรือการ เ, เกิดดับของสภาวะต่างๆเป็นไปมาเนียคะ่ะว่าเราเทียบกับการทําสมาธิค่ะถ้าเห็นอยู่ตรงกรันเห็นการเกิดดับเนี่ยเหมือนกันหลักเดียวกันระหว่างใช้ชีวิตปก ต, ติกับ น, นั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็นั่งละความเปลียนเห็นเกิดดับระหว่างใช้ชีวิตประจําวันก็ละความเปลียนเห็นเกิดดับเสมอกั น, นคือถ้าเราเทียบกับระดับสมาธิาค่ะอันนี้จะถือว่าอยู่อยู่ในระดับไหนคะการจะเทียบกับระดับสมาธิจะต้องไปเทียบในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าวัดกันที่ตรงไหนเช่นปตมาชาญวัดกันที่อกุศลดับมีวิตกวิจารปิติสุข ถ้าทุติยฌานวิตกวิจารจะดับไปเป็ปิติกสุขคือให้สังเกตในสิ่งที่ผู้เจ้าให้สังเกตไม่ให้สังเกตตัวอื่นนะดังนั้นเวลากาสังเกตสมาธิต้องสังเกตในกรอบของฌานหนึ่งสองสามสี่ที่พูเจ้าบัญญัติคุณสมบัติเอาไว้นะก็ยังสงสัยว่าอย่างถ้าเห็นว่าอาอย่างตัวเห็นนามรูปเห็นนามรูปเกิดดับอย่างงี้ยล่ะ การเห็นนามรูปเกิดดับเนี่ยมันเห็นได้ทั้งมีสมาธิกับไม่มีสมาธินะถ้าอากุศลดับเห็นนามรูปเกิดดับหลุดพ้นได้อกุศลดับเกิดสมาธิเห็นนามรูปเกิดดับก็หลุดพ้นได้ดังนั้นสมาธิเนี่ยมันมีทั้ง <c oughs> สมาธิที่ครูเจ้าเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิสมาธิอันเป็นอริยสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ซึ่งไม่ใช่ชานหนึ่งสอสามสแต่ฌานในการหลุดพ้นได้ซึ่งพวกนี้จะเรียกว่าทุกขาปฏิปทาขีปปาปิญญากัตันตาปิญญาแบ่งเป็นสองอย่างปฏิบัติเป็นทุกขสําเร็จเร็วสําเร็จช้านะพวกนี้คือไม่ได้ชานหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้สุขอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติอีกพวกหนึ่งเนี่ยเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ได้พวกนี้เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาและัตันทาปิญญาภายใต้สุขขาปฏิปทาก็มีสาเร็จเร็วสําเร็จช้าเหมือนกัน นะดังนั้น <c oughs> ขั้นต่าที่สุดคืออกุศลต้องดับนะแล้วเห็นการเกิดดับใช้ได้หมดและถ้ายอมเห็นนามรูปเกิดดับแล้วเนี่ยผูเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะดังนั้นเวลาเวลาเราเดินมักวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ย ถ้ามันตรงทางแล้วเนี่ยผู้เจ้าจะประ ก, กันไม่เลยว่าอย่าไปทำอย่างอื่นนะทำแค่นี้เช่นถ้าคนคนนั้นเห็นตันหาเกิดดับพระองค์บอกทำแค่นี้ไปจนวิมุตตเลยถ้าเห็นเวชนาเกิดดับเธอทำแค่นี้ไปจนวิมุตตถ้าเธอเห็นลูกนามเกิดดับเธอทำแค่นี้ไปจนถึงวิมุตต์ได้ไหมฝั่งนี้ไม่ค่อยถามเลย แต่พอเข้าใจเนอะอย่พอเข้าใจอ่สองทุ่มยิบสี่แล้วเลยเวลาพวกเราเลยอย่างเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวได้ความรู้กันไปหลากหลายเนาะถ้ามีมีซีดีก็ลองฟังซ้ำไปเรื่อยๆนะ วันนี้เราคุยกันค่อนข้างลึกต้องมีการทวนซ้ำแล้วมันจะตอบย้ำความเข้าใจนะคำพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลุกตุตรละนะฟังทวนเรื่อยๆหลายๆรอบนะจะได้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นเรื่อยๆนะั่นก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม สั่งสมสุตตะในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็ขอใหนะ้ทุกท่านนะเป็นผู้เจริญก้าวหน้าในธรรมของพระตถาคตคิดฝังสิ่งดใดสําเร็จสมความปรารถนาที่สุดฝายได้ดวงตาเห็นธรรมสําเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการอันใกล้โ ด, ดยเจ้าหน้าการทุกท่านทุกคนเตือนสาธุทุกท่านกราบราพร้อมกันคะ่ะกราบกราบ